ปัญหาข้อที่13อธิบายและตอบปัญหาเรื่องสถานที่อาถรรพ์และสถานที่มงคลมีจริงแค่ไหนพลังงานจากวิญญาณหรือจิตที่ดีร้ายสามารถแผ่สะสมในสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งวัตถุสภาพอากาศและความรู้สึกของคนให้ร้ายหรือดีขึ้นและยังก่อให้เกิดรูปร่างเป็นตัวตนเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตให้เห็นในโลกทิพย์หรือในนิมิตได้อย่างไร เมื่อคนเสื่อมศิลธรรมจำนวนมากเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติหรือกระตุ้นผู้คนให้เจ็บป่วยคิดร้ายโกรธง่ายขึ้นได้อย่างไรทำไมบางสถานที่ทาให้รู้สึกไม่ดีขนลุกหวาดกลัวบางสถานที่ทำให้เกิดปีติความรู้สึกดีสุขใจสถานที่บางแห่งทำไมจึงมีคนตายซ้ำๆเรื่องตัวตายตัวแทนมีจริงหรือไม่ ถ้าผีทำร้ายคนได้ทำไมทำไม่ได้ทุกคนสาเหตุคือวิบากกรรมอะไรที่ส่งให้ตายไม่ดีและทำไมคนบางคนตายแล้วต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่บางคนตายไม่ดีเช่นกันกลับได้ไปสุคติความเข้าใจเรื่องหลังความตายตั้งแต่ยังมีชีวิตสำคัญแค่ไหนต่อการไปดีหลังตายพลังงานดีก่อปฏิกิริยาเคมีที่ดีกับเรื่องพระธาตุเสด็จ พลังจิตกับปฏิกิริยาในร่างกายให้เจ็บป่วยหรือตายได้อย่างไรหลักสำคัญในเรื่อง่วงจุย้ยหมอดูความเชื่อเรื่องไม้มงคลและอื่นมีที่มาอย่างไรเชื่อถือได้แค่ไหนเชื่ออย่างไรไม่งมงายปัญหาข้อที่13เรื่องเหตุอุบาท ปัญหาเรื่องเตียงอุบาทคือเตียงซึ่งมีพลังของวิญญาณอันชั่วร้ายอันเกิดจากการฆาตกรรมสิงอยู่ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วอย่างละเอียดพร้อมกับอธิบายให้เห็นว่าการระลึกชาติได้เป็นไปได้อย่างไรสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ถีท่วนก็คือคำว่าสิงอยู่ซึ่งโดยปกติคำนี้มีความหมายอยู่สองอย่างตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้กล่าวคือในกรณีของเตียงอุบาทนั้น คำว่าสิงอยู่หมายความว่าเตียงได้รับพลังของวิญญาณนันชั่วร้ายเข้าไว้และคาว่ารับในที่นี้หมายถึงว่าพลังของวิญญาณซึ่งมีอยู่ในเตียงนั้นได้เปลี่ยนรูปจากเดิมกลายเป็นพลังวิญญาณนันชั่วร้ายและพร้อมกันนี้ก็ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ด้วยอย่าลืมว่าโดยปกติวิญญาณย่อมมีอยู่ในสาสารทุกชนิด เพราะโครงสร้างและคุณสมบัติของวัตถุนั้นเกิดมาจากพลังของวิญญาณที่มีอยู่ในวัตถุนั้นหลักวิชาดังที่กล่าวมานี้ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจหมายเหตุผู้อา่านอย่าลืมนะครับว่าวิญญาณในวัตถุนั้นเป็นวิญญาณคนละประเภทกับที่คนทั่วไปเข้าใจอาจเรียกว่าเป็นพลังงานแฝงอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคำว่าสิงอยู่หมายถึงมีโอปปปาติกะอาศัยอยู่ซึ่งในประเด็นนี้มีความหมายไม่เหมือนกับในประเด็นแรกคำที่เราพูดกันเสมอว่าวิญญาณสิงอยู่ที่นั่นที่นี่เช่นสิงอยู่ที่บ้านหรือสิงอยู่ที่ต้นไม้คำว่าสิงในที่นี้หมายถึงมีโอปปปาติกะอาศัยอยู่ที่นั่นเรื่องนี้ต้องศึกษาให้ดี คำว่าสิงมีความหมายอย่างไรบ้างสำหรับในเรื่องของเหตุอุบาทมีประเด็นที่แตกต่างจากเรื่องเตียงอุบาทเพราะเหตุที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่เป็นวัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้คนอื่นมองไม่เห็นเอสเทลโลเบิร์สเห็นเพียงคนเดียวอำนาจของพลังวิญญาณที่ชั่วร้ายในเมื่อมีความเข้มขน้นก็สามารถ ที่จะรวมกันเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกทิพย์ได้เหมือนกันขอให้ท่านสังเกตจากตัวอย่างที่เอสเทลโลเบิร์สได้บันทึกไว้ดังต่อไปนี้ตัวอย่างของเรื่องที่น่ากลัวมีอยู่รายหนึ่งเป็นเรื่องของนายพันโทคาสเ e ลโลผู้มาขอความช่วยเหลือจากดิฉันท่านนายพันโทผู้นี้แต่เดิมได้มีโอกาสติดต่อกับลูกชายซึ่งเป็นนักบิน และผู้ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างสงครามทั้งนี้ด้ยวยการทรงของดิฉันมาแล้วหลายตัวหลายครั้งด้วยกันวันหนึ่งท่านได้มาขอร้องดิฉันให้ช่วยเหลือเพื่อนของท่านสองคนด้วยบุคคลที่กล่าวนี้เป็นสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในบ้านในชนบทแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาภายหลังลคล้ายๆกับว่าเป็นที่สิ่งสถิตของแหลงอาถรรพ์อันร้ายกาจและน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง คือนับตั้งแต่สามีภรรยาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นตามมาติดติดกันโดยไม่หยุดยัง้งในช่วงระยะเวลาหกเดือนได้มีการตายเกิดขึ้นถึงหครั้งเริ่มตั้งแต่สัตว์เลี้ยงไปจนถึงมารดาของหญิงผู้นี้การที่เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นโดยไม่หยุดหย่อนเช่นนี้ทําให้ชายหญิงคู่นี้เกิดความมิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง และบัดนี้เธอเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลว่าผู้ที่จะตายต่อไปนั้นน่าจะเป็นลูกชายคนเล็กของเธอเองจริงอยู่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาจจะอธิบายว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญของเหตุการณ์ธรรมดาซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นติตดตกันได้โดยไม่จําเป็นต้องมีอํานาจพิเศษลึกลับใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นั่นแหละบางครั้ง ก็อาจมีอำนาจลึกลับก็ไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ดังนั้นท่านพันโทคาสเทโ ล, โลจึงมาหาดิฉันและขอให้ดิชันแก้ไขเรื่องนี้ให้ด้วยเราทั้งหกคนจึงออกเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นพร้อมกันพอดิชันก็ไปถึงบ้านนี้ก็ได้รับการทักทายจากโอปปาติกาผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนี้มาแต่เดิม โอปปปาติกะผู้นี้เดินทอมๆอมไปมาในบ้านหลังนั้นรู้สึกว่าแกมีอารมไม่สู้ดีและบ่นว่าดูสิดูไอ้พวกนี้มันทำสิมันเที่ยวโค่นต้นไม้ลงหมดไม่มีเหลือไว้ให้เลยทีเดียวอันที่จริงดิฉันคิดว่าแม้ว่าโอปปาติกะผู้นี้จะมีจิตขึรื่งเคียดที่มีบุคคลไปตัดต้นไม้ของแกก็ตามแต่รู้สึกว่าแกเป็นชายแก่ที่ไม่มีพิษสงอะไร และไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าหากว่าเหตุการณ์ร้ายในบ้านหลังนี้มีมูลเหตุมาจากโอปปาติกะที่ร้ายจริงๆดิฉันก็เชื่อแน่ว่าโอปปาติกะชายแก่ผู้นี้คงจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนดิฉันเดินนำคณะของเราซึ่งมีแปดคนด้วยกันไปรอบๆ บ, บ้านเหตุการณ์ก็เป็นปกติดีอยู่ จนกระทั่งเราเข้าไปในห้องนอนจากเตียงนอนในห้องนั่นเองดิฉันก็เริ่มรู้สึกว่ามีพลังอันชั่วร้ายอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่ดิฉันได้เคยประสบมาแผ่ซ่านออกมาพลังงานชั่วร้ายนี้มีกำลังแรงกล้าอย่างยิ่งจนกระทั่งทำให้ดิฉันหยุดกึกลงทันทีและดวงตาของดิฉันก็จ้องมองไปที่เตียงนอนโดยไม่ได้กระพริบณที่นั้น ดิฉันจึงได้เห็นสิ่งที่ดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันเป็นศูนย์กลางของการแผ่รังสีที่ชั่วร้ายที่ดิฉันสามารถจะรู้สึกได้จากการที่มันล้อมกายของดิฉันอยู่ในขณะ น, นี้มันเป็นคล้ายๆกับเห็ดรายักษ์ขนาดใหญ่มาฮึมาทีเดียวมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมากและเห็ดราดังกล่าวนี้เต้นตุบๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองดูจะเห็นว่า มันมีท่าทางน่ากลัวน่าสยดสยองมากซึ่งอันที่จริงมันก็มีอนุภาพน่ากลัวน่าสยดสยองจริงๆด้วยสำหรับความรู้สึกของดิชันเองเมื่อเห็นเข้าก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปเสียให้พ้นโดยเร็วแต่ท่านใดท่านเมฆแดงก็ปรากฏให้ดิชันเห็นทางทิพญาจักษุและบอกให้ดิฉันยืนนิ่งๆอยู่หน้าที่นั้นครั้นแล้วต่อจากนั้น ท่านได้บอกให้ดิฉันค่อยๆเดินเข้าไปที่เตียงนอนไปหาเจ้าเหตุรายักษ์ลามกอันนั้นพอถึงโดยที่ดิฉันไม่ได้ตั้งใจเลยดิฉันก็รู้สึกว่ามือของดิชันเองเอื้อมออกไปและทั้งๆ ท, ที่ดิฉันมีความรู้สึกขยะกขยงอย่างแรงกล้าจนบอกไม่ถูกก็รู้สึกว่านิ้วของตัวเองกดลึกจมลงไปในเจ้าเหตุราที่น่ารังเกียรโศโครกนั้นสุดกำลัง ดูเหมือนดิฉันจะรู้สึกว่ามันดินและเต้นตุบๆอยู่ภายใต้การกลมอย่างแน่นของดิฉันในขณะที่ท่านเมฆแดงได้ส่งพลังของท่านโดยผ่านมือดิฉันไปทำลายอนุภาพของมันอยู่ไม่ขาดระยะในที่สุดเจ้าสิ่งลาโมกนั้นก็ค่อยๆหดและยุบตัวลงและในที่สุดก็หายไปตลอดเวลาเหล่านี้ผู้ที่ไปกับดิฉันด้วย เฝ้ดูอาการของดิฉันอย่างสนเท่และไม่เข้าใจแต่ก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรื่องราวเสร็จแล้วดิฉันจึงอธิบายให้เขาฟังถึงสิ่งที่ดิฉันได้เห็นและได้กระทําลงไปแล้วรับรองกับผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นว่าต่อไปนี้เวทมนต์และสิ่งงานชั่วร้ายต่างๆจะสิ้นสุดลงไม่มีอีกต่อไปแล้วแต่คนทั้งหลายได้ถามเป็นเสียงเดียวกันว่า แล้วมันเป็นอะไรมันอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าคล้ายๆจะเป็นสิ่งอาถรรพ์ที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งดิฉันตอบท่านเมกแดงได้กล่าวว่าอาถรรพ์อันร้ายกาดนี้อาจจะเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ถ่าไหนที่นั้นมีพลังหรือมีกระแสคลื่นแห่งความชั่วร้ายอยู่อย่างเข้มข้นเพียงพอมันก็จะกลายเป็นสิ่งร้ายแรงทำนองนี้ขึ้นมาได้ ขอให้สังเกตจากเรื่องที่เอสเทลโลเบิร์ตได้บันทึกไวน้นี้จะเห็นได้ชัดว่าอำนาจของพลังชั่วร้ายที่รวมตัวกันขึ้นเป็นเสมือนเห็ดยักษ์นี้ไม่เหมือนกับพลังของวิญญาณชั่วร้ายที่มีอยู่ที่เตียงและปัญหาในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะในหนังสือก็ได้บอกไว้แล้วว่าอาถรรพ์อันร้ายกาศนี้จะเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ถาในที่นั้น มีพลังหรือมีกระแสคลื่นแห่งความชั่วร้ายอยู่อย่างเข้มข้นเพียงพอแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งร้ายแรงทาให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นได้ซึ่งในหนังสือการติดต่อวิญญาณก็ได้บอกไว้แล้วว่าแต่เดิมมาสถานที่นี้เป็นสถานที่มีคนกลุ่มหนึ่งมีความอาฆาตพยาบาทกันอย่างร้ายแรงและมีการสังหารกันอย่างชนิดลังเลือดฉลอมดินลงไปในพื้นแผ่นดินนี้และเป็นจานวนมาก เป็นนั้นว่าพลังงานชั่วร้ายที่เกิดจากการฆาตรกรรมนี้เองที่เป็นเหตุให้คนซึ่งอยู่ในที่นั้นมีการตายเกิดขึ้นเช่นที่กล่าวไว้ว่าในช่วงระยะเวลาหเดือนได้มีการตายเกิดขึ้นถึงหครั้งเริ่มตั้งแต่สัตว์เลี้ยงไปจนถึงมารดาของผู้นี้คือหญิงที่มาขอให้เอสเทลโรเบิร์ตไปสำรวจดูที่บ้านของเขา เหตุผู้อ่านในที่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมและบุญของแต่ละคนด้วยนะครับคนที่มีบุญรักษาพลังชั่วร้ายย่อมทามอันตรายไม่ได้เปรียบเทียบกับเชื้อโรคบุญก็เหมือนภูมิต้านทานคนสองคนได้รับเชื้อโรคเท่ากันคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นไรหรือป่วยน้อยอีกคนอาจจะถึงตายได้สำหรับใครที่กลัวพลังอาถรรพ์เช่นนี้ เบื้องต้นเกราะสำคัญที่จะป้องกันตัวเองได้จริงก็คือการมีศีลบริสุทธิ์มีการเจริญสติมีการแผ่เมตตาเป็นประจำเป็นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาทำบุญให้ทานให้หลากหลายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชาติก่อนเราทำอะไรไว้นะครับการทำบุญที่มีอา น, นิสงส์ต่างกันยอมให้ผลต่างกันและบรรเทากรรมได้ต่างกันสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนาถ้าหากมีครบแล้ว ท่านว่าจะมีทั้งธรรมะรักษาและเทวดามาคอยรักษาซึ่งพลังบุญที่มากพอนั้นย่อมเป็นปฏิปักษ์กับพลังลบและป้องกันคนผู้นั้นได้จริงเหมือนดังพุทธพจน์ที่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจากตัวอย่างในเรื่องนี้บางทีก็อาจจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า ในที่ซึ่งมีอุบัติเหตุเช่นรถชนกันตายต่อมาก็มักจะปรากฏว่าในที่ตรงนั้นมีอุบัติเหตุในถนองเดียวกันเกิดขึ้นอีกหรือในสถานที่แห่งใดมีคนผูกคอตายต่อมาก็มักจะมีคนผูกคอตายอีกเรื่องอย่างนี้เป็นที่รู้กันทั่ ว, วไปแต่อย่างไรก็ดีสำหรับในเรื่องนี้ท่านได้บอกไว้ว่า มีสาเหตุอยู่สองอย่างคือหนึ่งเกิดจากอำนาจของวิญญาณนันชั่วร้ายแบบเดียวกับเหตุราในเรื่องนี้2เกิดจากคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุซึ่งเวลานี้เป็นโอปปาติกะยังคงวนเวียนอยู่ในที่นั้นแล้วคอยโดนใจให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกับที่ตัวเองได้รับอันหนึ่ง สำหรับในกรณีของโอปปาติกะที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนี้ยังแยกประเด็นไปได้อีกสองประเภทคือประเภทหนึ่งโอปปาติกะนั้นมีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือมีความโกรธแค้นที่ตัวเองต้องมาตายในลนนักษณะนี้แล้วก็มีความรู้สึกอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนกับตัวเองซึ่งอันนี้มักจะเป็นแก่พวกโอปปาติกะที่พื้นเดิมเป็นคนแบบนั้น คือเป็นคนที่ไม่อยากจะเห็นคนอื่นดีกว่าตนฉะนั้นเมื่อตัวเองต้องมาได้รับพคราะกรรมอย่างไรก็อยากเห็นคนอื่นได้รับเหมือนกับตัวเอง 2. อ, อีกประเภทหนึ่งเป็นพวกที่มีความว้าเวยต้องการเพื่อนแต่ยังไรก็ดีคนที่จะตกเป็นเหยื่อให้พวกเหล่านี้ดวนใจได้นั้นต้องเป็นคนที่มีวิบากมาคล้ายคลึง กับพวกออปปาติกะเหล่านี้และถึงเกณฑ์ตาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยโดยธรรมดาทั่ ว, วไปแล้วสำหรับคนที่มีวิบากมาไม่เหมือนกับพวกเหล่านี้ก็ไม่อาจจะได้รับอันตรายจากพวกเหล่านี้ได้ปัญหาอาจจะมีขึ้นว่าคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุเช่นถูกรถชนตายวิญญาณของเขาจะต้องวนเวียนอยู่ในที่นั้นเสมอไปหรือไม่ ท่านบอกว่าไม่เสมอไปพวกที่ต้องวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นส่วนมากเป็นพวกที่ไม่รู้ตัวว่าตายและไม่ได้ทำบาป ก, กรรมอย่างอื่นไว้มากถึงขนาดต้องไปสวยผลของกรรมอยู่ในที่อื่นและอีกประการหนึ่งการที่คนเหล่านี้ต้องได้รับความทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ในสถานที่เกิดเหตุก็เท่ากับได้รับผลของกรรมของเขาอยู่แล้ว เพราะถ้าหากเป็นบุคคลที่มีบุญซึ่งจะต้องไปเกิดในสวรรค์แต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเพราะบาปกรรมบางอย่างซึ่งในบางกรณีการจะรับอุบัติเหตุนั้นก็เป็นการใช้กรรมครั้งสุดท้ายและหมดเพียงแค่นั้นสำหรับในกรณีอย่างนี้เมื่อตายแล้วจะไม่อยู่ในที่นั้นจะไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ทันทีหรือถึงแม้จะไม่ไปสวรรค์ทันที ครั้งแรกอาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่แล้วในไม่ช้าก็จะรู้สึกตัวเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจเรื่องตัวเองดีข้อสาคัญก็คือความอาฆาตพยาบาทหรือความเป็นห่วงใดๆไม่มีแล้วรู้ตัวเป็นอย่างดีว่าตัวเองได้ตายมาเกิดใหม่แล้วสาหรับบุคคลประเภทนี้จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนานไม่ว่าเขาจะตายด้วยวิธีไหน เช่นทหารที่ตายในสงครามหรือคนที่ถูกยิงหรือถูกงูกัดตายหรือตกน้ำตายหรือจะตายด้วยเหตุอะไรก็ตามเรื่องนี้ไม่สำคัญข้อที่สำคัญอยู่ที่หลังจากตายแล้วรู้สึกตัวว่าตายและไม่มีความโกรธไม่มีความผูกพันเข้าใจเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าได้ดีมาตั้งแต่สมัยเมื่อยังเป็นคนอยู่อันนี้สาคัญกว่า อันหนึ่งสำหรับพลังของวิญญาณที่ชั่วร้ายซึ่งอาจจะเกิดจากกระแสะวิญญาณของผู้ที่รบราฆ่าฟันกันหรืออาจจะเนื่องมาจากกระแสะวิญญาณของกลุ่มคนที่หมกมุ่นในความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในเมื่อมีความเข้มข้นก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนอย่างเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นท่านบอกว่าสำหรับในเรื่องอย่างนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีรูปร่างเป็นเหมือนเห็ดเสมอไป อาจจะมีรูปเป็นอย่างอื่นก็ได้ทั้งนี้สุดแล้วแต่กระแสของวิญญาณมันจะออกมาในรูปไหนและสิ่งแวดล้อมในที่นั้นๆเป็นอย่างไรขอให้นึกถึงกระแสน้ำหรือกระแสลมที่หมุนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดรูปออกมาในลักษณะไหนก็ได้และอีกประการหนึ่งพลังของวิญญาณชั่วร้ายซึ่งมีอยู่ในที่ต่างๆนั้น ที่ไม่ปรากฏออกมาเป็นรูปคื อ, อยังอยู่ในลักษณะที่เป็นพลังงานก็มีอยู่ไม่น้อยคนที่มีตัวเป็นสื่อเมื่อเข้าไปใกล้ก็จะเกิดความรู้สึกในทำนองสังหรณ์ใจหรือไม่ก็ดนใจให้คิดไปตามอำนาจของมันอย่างนี้ก็มีและในบางกรณีอาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาในทางเคมี ฉันทำให้เกิดเป็นแสงหรือเป็นประกายหรือบางทีก็อาจจะทำให้เกิดเป็นเหมือนกับเรลวไฟก็มีพวกลางร้ายหรือลางสังหรณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะเหตุนี้และในที่บางแห่งที่คนมักจะเห็นปรากฏการณ์อะไรแปลกๆซึ่งเป็นการเห็นด้วยตาธรรมดาและนักวิทยาศาสตร์บางคนก็อาจจะอธิบายได้ ว, ว่า เป็นปฏิกิริยาทางเคมีอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาจากพลังของวิญญาณที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและในบางกรณีก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพลังวิญญาณที่ชั่วร้ายเสมอไปสิ่งที่เราเรียกกันว่าผีพุ่งใต้พระทาเสด็จหรือปาฏิหาริย์ต่างๆที่มีอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ อย่าลืมว่าปฏิกิริยาในทางเคมีที่มีอยู่ในร่างกายของคนหรือในสิ่งที่มีชีวิตทั่วๆไปนั้นซึ่งถึงแม้จะอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ก็ควรจะเข้าใจด้วยว่าสาเหตุที่จริงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ก็คืออํานาจของวิญญาณที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองและยิ่งกว่านั้น ถ้าเราเข้าใจเรื่องวิญญาณในวัตถุเราก็จะรู้ว่าปฏิกิริยาในทางเคมีของสิ่งที่ไร้ชีวิตก็เนื่องมาจากวิญญาณที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆเพราะปรากฏการของวัตถุก็คือปรากฏการของวิญญาณนั่นเองวิญญาณเป็นพลังงานที่แทรกซึมอยู่ทั่วๆไปและเป็นแหล่งต้นกำเนิดของพลังงานในทางวัตถุทุกอย่าง ถ้าหากเข้าใจถึงทฤษฎีอันนี้อย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเข้าใจถึงความเร้นลับของธรรมชาติได้โดยไม่ยากอันหนึง่งจะต้องนึกไว้เสมอว่าพลังของวิญญาณอาจจะเปลี่ยนรูปไปได้ต่างๆตามวิบากของคนหรือพูดอีกในยานึ่งสุดแล้วแต่พลังของวิญญาณจะถูกสะสมออกมาในรูปไหน ในตัวของคนเราเป็นหลังที่จะเพาะให้เกิดพลังงานในรูปต่างๆเพราะคนเรามีการทำกรรมอยู่เสมอทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากในสมัยใดคนในโลกทำความชั่วกันมากพลังของวิญญาณที่ชั่วร้ายซึ่งออกมาแต่ละบุคคลมันจะเข้าแทรกซึมอยู่ในอากาศและในที่สุดเมื่อมันมีมากๆเข้า ก็เป็นเหตุทำให้เกิดความวิบัติจากภัยธรรมชาติได้เหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายในสังคมอยู่เรื่อยซึ่งเนื่องมาจากบุคคลในสังคมได้ถูกอำนาจลึกลับบังคับให้ต้องพูดต้องทำต้องคิดอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่รู้กันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ คนดีๆบางคนที่กลายเป็นคนเสียคนตามคนอื่นไปนั้นนอกจากจะเป็นเพราะการชักจูงจากสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาจากเสียงที่ได้ยินด้วยหูแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือพลังของวิญญาณที่แพร่ซ่านอยู่ในบรรยากาศนั้นๆอันนี้ก็มีอิทธิพลไม่น้อยที่คอยชักใจอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณจึงได้ถือเป็นประเพณีมานานว่าเวลาจะสร้างบ้านสร้างเมือง จะต้องเลือกหาสถานที่ที่เป็นมงคลซึ่งคนที่ดูนั้นนอกจากจะเป็นพวกโหรที่อาศัยการคำนวณตามดวงชะตาแล้วยังมีอีกพวกหนึ่งคือพวกที่นั่งสมาธิเก่งซึ่งสามารถจะได้รับพลังของวิญญาณซึ่งอยู่ในที่ต่างๆพวกนี้จะสามารถบอกได้ดีว่าสถานที่แห่งไหนเป็นมงคลสถานที่แห่งไหนไม่เป็นมงคล สาเหตุผู้อ่านในเรื่องของพลังงานจากจิตที่แผ่ออกมาจากแต่ละคนและสะสมในวัตถุและสภาพแวดล้อมได้นั้นได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อนนะครับเช่นตัวอย่างการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นที่ท่านพิสูจน์จนยอมรับว่าจิตเป็นกุศลกับจิตเป็นอกุศลมีพลังงานแตกต่างกันและสามารถสะสมในวัตถุได้แตกต่างกันซึ่งภายหลังก็มีการทดลองของคนไทยที่พิสูจน์ชัดว่า การสวดมนต์และเพ่งกระสาจิตไปที่น้ำเทียบกันระหว่างคนปกติทั่วไปจะเห็นได้ชัดว่ามีการคงสภาพในคุณสมบัติที่ดีของน้ำนั้นแค่ไม่นานก็กลับไปเหมือนเดิมแตกต่างจากพระกรรมฐานที่ปฏิบัติดีจริงซึ่งพบว่าคงคุณสมบัติที่ดีได้หลายปีสำหรับหมอดูเช่นโหนและนักดูห่วงจุยที่ท่านสืบทอดเป็นตารามานั้นขอฝากไว้อีกเรื่องให้คิดนะครับว่า คนสมัยโบราณ น, นั้นท่านจิตใจสงบโดยมากก็มักเป็นผู้สวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำและสิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนนั้นไม่มีพลังงานลบหรือมีเคลื่อนรบกวนสมองมากเท่าสมัยนี้ทั้งภาวะของจิต ท, ที่เป็นสมาธิอยู่เป็นประจำและสิ่งรบกวนน้อยจึงทำให้ท่านมีพลังจิตสูงสามารถมองเห็นพลังงานต่างๆได้ง่ายซึ่งมักจะมีสัมผัสพิเศษอยู่ในตัวจึงทำให้การทำนายนั้นค่อนข้างจะแม่นยำ อาศัยหลักการคำนวณหรือพิธีกรรมต่างๆเป็นเพียงเครื่องประกอบหรือหลักคร่าวๆเท่านั้นหลักสําคัญก็คือพลังจากจิตเหมือนคนที่ดูไพ่ยิปซีนะครับไม่ว่าตําราจะว่าไว้อย่างไรเปิดไพ่มาเป็นแบบไหนแต่สิ่งสําคัญที่ทําให้ทํานายได้แม่นก็คือเซนต์ภายในคือพลังจากจิตที่ตีความออกมาได้ตรงกับความเป็นจริงแต่ในยุคหลังนั้นศาสตร์ของการทํานายนั้นกลับกลายเป็นการท่องตํารา และยึกตามตำรามากกว่าจะเน้นการใช้พลังจากจิตส่วนมากที่เจอก็เลยกลายเป็นการดาวมัวสมากทํานายร้อยคนทำนายไปร้อยเรื่องก็ต้องมีม่นสักเรื่องเป็นธรรมดาบางครั้งก็เลยเถิดเป็นการใช้หลักหวงจุวยแบบผิดผิดหรือแนะนำการแก้เคล็ดต่างๆแบบผิดผิดที่ดูไร้าสาระและขาดเหตุขาดผลอย่างยิ่งในความเป็นจริงนั้นของอะไรตั้งตรงไหน ก็ไม่เท่ากับใจที่เป็นกุศลพลังแห่งกุศลจากจิตของเราเองนั้นมีพลังในการขับไล่สิ่งอปมองคลทั้งมีพลังดึงดูดให้วิญญาณดีให้เทวดาดีเข้าหาหรือเมตตาซึ่งเป็นพลังที่แน่นอนกว่าดังนั้นทางที่ถูกที่ควรก็ควรเน้นที่การปรับปรุงตัวเองเป็นหลักนะครับการพึ่งพาจากสิ่งภายนอกโดยที่ไม่ปรับปรุงตัวนั้นก็แทบไม่ต่างอะไรกับคนที่แต่งตัวสวยแต่ไม่เคยอาบน้ํา ต่อให้ภายนอกดูสวยแค่ไหนแต่ก็ยังคงเหม็นเน่าแนวรังเกียดและดึงดูดมมลงวันและเชื้อโรคให้เข้าหาได้อยู่เสมอเช่นกันสำหรับหลัก่วงจุ้ยนั้นหลายอย่างก็เป็นประโยชน์ได้จริงนะครับเช่นทิศทางลมทิศทางของแสงที่ส่งผลต่อสุขภาพให้สมองปลอดโปร่งให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นเมื่อจิตปลอดโปร่งก็คิดดีได้ง่ายลาคิดวิเคราะห์อะไรได้ลึกซึ้งขึ้นเป็นการส่งเสริมกาลังทางจิต หรือส่งเสริมให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นแต่เท่าที่เห็นในปัจจุบันนั้นการแนะนำเรื่องหวงจุ้ยต่างๆหลายครั้งนะครับที่ล่าดูไร้สาระและหาเหตุหาผลไม่ได้เลยรวมทั้งคนที่ทำนายหรือคนที่แนะนำนั้นศีลห้าก็ยังไม่มีสมาธิก็ยังไม่เกิดธรรมะก็ไม่เข้าใจลองคิดดูนะครับว่าคนเหล่านี้จะแนะนาเราได้ถูกต้องและพาไปสู่ความเจริญได้จริงแค่ไหน ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ